เราจะได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานภาวนาคนจะ่ปฏิบัติภาวนานั่นอย่าไรีบเบียดขั้นเพื่อให้สงก <c oughs> เพราะการบังคับและการทำด้วยความอยากด้วยความเร่งเรทเมื่อสติของเรายังไม่รอบคอบ อาจจะไม่ได้ผลตามความเป้าหมายเพราะการปฏิบัติจิตภาวนานั่นจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติรละลึกให้รอบครอบระ ล, ะลึกกายก็ดูกายของเราเตรียมกายของเรานั่งให้เรียบร้อยแล้วก็เราสถานที่นั่งก็ ป, ปลอดภัย เริ่ปตัดฉจักภยัยเมื่อเห็นกายของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สำรวมเข้าไปถึงจิตใจของเราตรวจสอสภาพจิตของเรามันขัดข้องอะไรมีอารมณ์อะไรพร้อมหรื อ, อยังเรายินดีในความสงบหรื อ, อยัง เรายินดีในการปฏิบัติภาวนาหรื อ, อยางหรือศักแต่ว่าทาเรามีความเชื่อความเริ่มใสหนักแน่นในการปฏิบัติเพียงพอแค่ไหนเราจะทุ่มเท เ, เสียสละเพื่อจุดอันเดียวคือจิตสงบพร้อมหรืออย่างถ้ายังไม่พร้อมเราก็ตรวจเตือนใจของเราสอนใจของเรา ให้อุบายเก่ใจของเราให้ใจของเราพอใจในการภาวนาเรียกว่ามีฉันทะคือความพอพร้อมที่จะจปฏิบัติพร้อมที่จะมีความเพียรพยายามอ่าพร้อมที่จะฝักใฝ่ในการภาวนาไม่เอาจิตออกไปทางอื่นให้รวมเข้ามาสู่ อารมณ์อันเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราตั้งไว้เป็นกรรมฐานเราจะเอาสิ่งใดที่มีอยู่ณภายในตัวของเราก็ได้เช่นเราจะเอากรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะเอารูปกรรมฐานส่วนอื่นเป็นต้นผม เราก็บริกรรมเกสาเกสาพิจารณาตั้งระลึกให้อยู่ในบริเวณของเส้นผมหรือให้อยู่ในความจำลักษณะรูลักษณะของผมเอาผมเส้นใดเส้นหนึ่งมากำหนดเป็นมิติเครื่องหมายแล้วก็ระลึ ก, กรู้วนามิต น, นั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะในเบื้องต้นเป็นบริกรรมนิมิตก่อนตั้งไว้ก่อนถ้าหากว่ายังไม่เห็นเราก็ตั้งสัญญาหมายหมายตั้งสัญญาหมายไว้ก่อนที่เราเคยจำได้หมายรู้ในผมกรดีในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อเราเอาสินใจเราก็เอา ชื่อของสิ่งนั้นมาภาวนาถ้าเราไม่เอารูปกรมมฐานเราจะเอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจโดยการระลึกวราพุโทโธพุโทโธในใจหรือถ้าเรามีศรัทธาจริตระลึกคุณพระพุทธเจ้า เราเลึกถึงทานถึงศีลที่เราเคยรักษาทึกถึงทานที่เราบริจาคเรียกอาคานุิติอศีลานุสิติเมออื่อเริ่ลึกถึงศีลความสารวมแล้วราลึกถึงความผ่องใสจิตใจที่สะอา เลิกถึงใจที่ดีที่เรามีศีลไม่มีเวรไม่มีภัยเรานั่งโดยความปลอดภัยนั่งโดยความไม่มีเวรเพราะพระศิลปพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมที่เราได้ปฏิบัติทุกข์หัดอบรมแล ส่วนบุคคลผู้เคยภาวนาได้รับความสงบได้รับความสุขในกรรมฐานอันใดเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนเอาอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างตามคำพูดของคนอื่นเราก็ตรวจรองที่เราเคยปฏิบัติมาและลึกทบทวนในรอบ้อเชือก่อนอย่าไปทางรัดก้าวรัดไปทีเดียว ไปเพ่งเอาแติตโดยเฉพาะอยากจะให้สงบเร็วๆอยากจะได้เร็วๆบางทีก็กลับพุ่งสร้างไปอีกแทนที่จะสงบเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสติให้รอบครอบระลึกดำเนินแต่เริ่มต้นที่เรานั่งให้สุภาพเรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแลว้วกดทับ สอบจิตใจของเราตามลําดับที่เราเคยปฏิบัติมาตามลําดับระลึกไปตามระดับจนตลอดถึงจิตรวมจิตให้ละเอียดไปตามลําดับที่เราเคยปฏิบัติมาจนถึงจิตใจของเราสงบถึงแม้ว่าจะไม่เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นมันแล้วจะเห็นแบบใหม่เปลีป่ยนแปลงสภาพอย่างอื่นปรากฏขึ้นมา เราก็ไม่ควรจะพยายามไปจะเอาไว้เห็นเหมือนแต่ข่าวนั่นข่าวนี้ข้อสมุคันให้รู้สึกว่าจิตรวมสงบสบายการปรากฏขึ้นในใจอย่างไรนั่นมันเป็นผลจากความเพียรจากสติจากจิตสงบของเราถ้าหากว่าจิตของเราสงบ ตั้งมั่นละเอียดดีแล้วอความรู้ความเห็นก็แจ้งชัดปรากฏชัดให้เราได้รับความรู้ความเห็นอันนั้นชัดในตัวของเราเองเราก็เชื่อมั่นแน่แ น, แน่ในความเห็นอันนั้น แต่ส่วนนั้นทำประเภทไหนจะเป็นรูปปรากฏขึ้นมาเราก็คิดจันาให้เป็นไตร ล, ลักษณนนิจะทำเมือเห็นเป็นทุกข์เมื่อเห็นเป็นอนัตตาอนัตาธรรมเพราะทำทั้งหลายที่อาศัยสังขารตรงแต่งขึ้นมาแล้ว ทำเหล่านั้นล้วนแต่ประกอบไปด้วยไตร ล, ลักษณ์ประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงประกอบไปด้วยความเป็นทุกข์เมื่อเราหลงเมื่อเราไปยึดถือเมื่อเราไปชําคัญติดแต่ทำเหล่านั้นก็เป็นธรรมไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้น เมื่อเราเห็ น, นในเมตนะใดอย่างหนึ่งจิตใจของเราสงบดีแล้วเราจะน้อมความรู้นั่นมาดูในตัวของเราเรื่อรูปธรรมเราอยากให้จิตใจขอ ง, ของเราฉลาดเห็นธรรมแล้วก็น้อมมาดูส่วนเหมือนกับเราสวดอายังโเมีกายโยกายของเรานี้แลนี่ อันนี้เราพูดว่าเป็นกายของเราเพราะเราอาศัยอยู่นี่เราทนุบำรุงเรารักษาเราปฏิบัติจึงอยู่ได้เป็นะเพียงของเราไม่ใช่เราโดยตรงแต่เราพิจารณาเหมือนกับบ้านของเราเสื้อผ้าของเรารถของเราเงินทองของเราล้วนแต่เป็นแต่ของ กายนี้ก็เป็นของเราเองนั่นแหละถ้าเราพิจนาจะเป็นเราจริงๆไม่มีแต่ถ้าเราสงสัยยังไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่เป็นของเราละเป็นของใครเราก็ยกอย่างใดอย่างหนึ่งมาดูเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในผมหรือผมมันก็มีชื่อแล้วมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้น ผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเราพิจารณาเขาเขาก็ไม่รู้ตัวเราพิจารณาเราจะไปทำอะไรเขาเขาก็ไม่รู้ไม่รับรู้จากเราทางนั้นเราจะรักเราจะเกลียดจะชังอย่างไรเขาไม่รับรู้จากเราการกระทาของเราเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นอนัตตาทั้งเป็นไหนจะได้มาโดยธรรมเราอยากรู้ธรรม ถ้าเรารยัางนี้เรียกรูยธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกลวงให้เราหลงไม่ใช่เป็นสิ่งหลอกตัวเองเป็นเครื่องเปิดเผยตัวเองให้ฉลาดโลยความจริงอีกด้วยซ้ําไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ถ้าจิตมันเห็นด้วยยอมรับความจริงอันนี้แหล้วความทุกข์ความยึดถือเคยมีแต่ก่อนเป็นภาระอนหนะัก เราก็มีพะระอันเบาบางขึ้นมาไม่หนักอกหนักใจเหมือนแต่ก่อนเพราะเรามารู้ความจริงเมื่อเราเห็นผมเส้นเดียวเท่านั้นแหะอันอื่นๆก็เป็นของง่ายไปด้วยเพราะจิตมันตั้งฐานได้ดีแล้วเหมือนกระตาของเราดีหรือเราอยู่ในที่มืดเมื่ อ, อฟไฟมันเกิดขึ้นแล้ว เรามองไปทางไหนสิ่งไหนอยู่ตรงไหนก็เห็นได้ชัดเพราะตาของเราดีชั้นใดก็ดีเมื่อสมาธิของเราดีเมื่อสติของเราดีเมื่อปัญญาของเราดีแล้วจิตสงบแน่วแน่ความผ่องใสของจิตปรากฏขึ้นแล้วย่อมเห็นทำชัดตามความเป็นจริง สิ่งที่เราเคยเข้าใจตามสมมตินิยมมาแต่ก่อนก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราพิจารณาแต่ก่อนดับนึกกับเป็นตนของเราเลือกตัวของเราเราทะนุถนอมด้วยความยินดีด้วยความพอใจด้วยความยึดมัน่นแต่เมื่อเราพิจารณาแต่ละอย่างและอย่างในอาการสามสิบสอง ผมก็ดีค้นก็ดีเล็บก็ดีนังหนังก็ดีเนื้อก็ดีเส้นเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีเยื่อในกระดูกก็ดีพิจารณาไปทุกส่วนแหละถามดูว่าเราตรงไหนนี่หรือเราหรือนีเนือของเราถามเขาก็ไม่รู้ว่าเราถามเพราะมันเป็นแค่เพียง ภาเพียงรูปประทาบเท่านั้นจะภาพสงไว้ซึ่งความจริงของเราเท่านั้นของเขาเท่านั้นเมื่อเราพิจารณาให้จิตเห็นความจริงอยู่บ่อยๆจิตยอมรับความจริงคือเรียกว่าสัจธรรมเมื่อธาตุ น, นี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นล้วก็รู้ความจริงว่าเปลี่ยนแปลง เมื่อเราไปแบดยึดถือธาตุเหล่านี้เป็นตนความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมา เ, เราก็รู้ว่าทุกข์กระทบเทินถึงเราวั่ใดธาตเหล่านี้ข้าค่าเราก็เลยได้รับทุกข์จากความข้ามค่า เ, เมื่อธาตุเหล่านี้มีโรคภัยเกิดขึ้นเราก็ได้รับทุกข์จากโรคภัยเหล่านั้นเพราะโดยอำนาจแห่งความยึดถือ เมืเ่อธาตเราเนี่แต่สลายพระราดจากไปเราก็ได้ทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ยึดถือละ่ะเรารวบความจริงเราปล่อยวางตามสภาพเพราะสังขารธรรมทั้งหลายเกิดก็เกิดด้วยธรรมตั้งอยู่ด้วยธรรมและสลายด้วยธรรมเป็นธรรมประจําหลักสูตรของเขาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่แต่เฉพาะเราคนเดียว เราดูคนอื่นอีกพิจารณาคนอื่นสองคนสามคนดูถอยหลังออกไปปูยา่าตาทวดของเราบรรพบุบรุษประวัติศาสตร์ของเรามีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกไม่ทราบกี่ล้านปีมาแล้วไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวล้วนแต่เหมือนกับเราทั้งหมดเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้น เราอนิจจังอย่างไรเขาก็อนิจจังอย่างนั้นเราทุกข์ขังอย่างไรคนอื่นก็ทุกข์ขังอย่างนั้นอนัตตาในเดี๋ยวนี้อย่างไรแต่ก่อนแต่อดีทุกทุกคนก็เป็นอย่างนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะชนชาติเราอย่างเดียวแม้แต่ชนชาติอื่นทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นอีกพิจารณากว้างขวางเท่าไหรนะ่นาย่อมรู้ได้ เพราะมันสูตรอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอติตังสยามประดออนาคตังสยามกะเดีขอให้มีญาณในปัจจุบัน่ะก่อน<ะ>ให้เห็นชัดในตัวของเราซะก่อนเมื่อแรกใจมีญาณรูปคนอื่นเพราะมันสูตรอันเดียวกันไม่ใช่เป็นการเดาเป็นการสัจธรรมเป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ชัดจังเว อมตะชักจังลปูมั่นจะเทศแต่ความจริงแต่เป็นสิ่งที่ไม่ตายจริงจังเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่หากเราทั้งหลายถูกความสมมตินนยมเราเรียกตั้งแต่เกิดมาในยมหนักถือยึดมั่นถือมั่นด้วยสัญญาโลก มายาวนานจึงไม่ความจริงล่านั้นจึงไม่ปรากฏในจิตใจของเราเมื่อเราไม่ศึกษาไม่อบรมตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถจ ะ, จะรู้ได้โดยลำพังของเราเองเนื่องด้วยเหตุนี้จาเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอาศัยการศึกษาการตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติ การฟังกรณีการลงมือปฏิบตัติรวมเรียกว่าเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ถ้าบุคคลผู้ใดมีขยันขยันมันเพี้ยนมันพินิสพิจารณาสอดส่องอยู่ไม่ลดละความรู้ความแยกคายในจิตในใจก็ย่อมปรากฏถ้าเอาใจใส่ย่อมประกฏในจิตใจเหล่านั้นเมื่อพิจารณาภาวิตโตบาลีกัโตทําให้มากจยิ่งยิ่งไม่หยุดหยอด อภิญญาญาจิตก็ย่อมมีปัญญามีอภิญญาเกิดขึ้นสมบูทยะพร้อมที่จะเกิสรู้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะบรรลุถึงซึ่งความจริงนิบานใน่าพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะดับสนิท ด, ดับอะไรดับกิเลสและกลองทุกข์ไม่มีอะไรเลย คำว่าจับแะดับกิเลสดับกองทุกส่วนธาตุขันมันก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานสิ่งทั้งหลายในโลกมันก็อยู่ในโลกอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไปในพันเหมือนไิเลสในจิตใจของพระองค์ส่วนธาตุดินก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็มีอยู่ตั้งแต่ไหนไม่เคยดับ วันเดือนปีก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ได้ศูนย์ไปไหนคำว่าศูนย์น่นศูนย์จากอิเลสศูนย์จากกองทุกข์ไม่มีเหมือนแต่ก่อนไม่มีเครื่องปรุงเครื่องแต่งเหมือนแต่ก่อนมันเป็นสภาวะท่าสภาวะธรรมมันตายสนิทมันไม่รวมอุปทานคติขึ้นมาเอง อุปทานไม่มีเหมือนกับสมบัติไม่มีเจ้าของอเหมือนกับโลกไม่มีใครครอบไม่มีใครไปอุปทานยึดถือมันก็เป็นโลกอยู่นั่นเหมือนกับไฟไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นใครจะร้อนใครจะเย็นก็ไม่เกี่ยวอน้ําไม่มีใครไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้น มันจะมีลมพัดเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันก็เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้มีปฏิกิริยาในการทุกข์ในการดิ้นรนในการตัณหาไม่มีไม่มีตัณหาในน้ำในดินในไฟในลมไม่มีสมุทัยในดินในน้ำในไฟในลมนั้นๆในอากาศธาตุนั้นๆในวิญญาณธาตุนั้นๆ มันเป็นศัก์แต่ว่านี่ลเราทํางหลายเมื่อพิจารณาแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะมีสูตรที่เราให้ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางดีแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างขอให้เรา่ปฏิบัติตามพระองค์เชื่อตามพระองค์อดทนพยายามอย่าไปเชื่อกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มันดึงไปให้ขัดข้านทำคําสอนของพระองค์ มักแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาพลิตแพลงไม่อยากให้เราได้รู้ทำเห็นทำขัดขวางอยู่ตลอดเรียกว่านิวรนไม่ให้เราได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นท่านยังเรียกว่ามารมารคอยเบียดเบียนไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตัดสู้ธรรมเช่นใดเช่นใดกิเลสท่านเรียกว่านิวรณธรรม ทั้งเหล่านี้ก็ล้เป็นมานค่อยขัดขวางจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นนี่วรรณะธรรมนั่นมีอะไรบ้างการมรฉันทะความพอใจรับใครโลในรูปของเรานี่แหละในผมในขนในเล็บหลงตัวเองนี่แหละ ต, ตกแต่งฉนุบำ ร, รุงเพื่อให้มีความสุขความเจริญนัน่นพอใจเรียกกระพอใจในการใคร ลงไหลในกลางในตัวของตัวเองการที่ลงไหลชอบคนอื่นก็เพื่อมาบำรุงตัวเองเชิญเออส น, นองความสุขของตัวเองถ้าไม่มีตัวเองและอันอื่นแล้วไม่มีใครต้องการเลยเพราะมันมีตัวเองก่อนจึงอยากได้อันอื่นเพื่อให้ความสุขแก่ตัวเองทฉงนั้นนเพราะฉะนั้นถ้าเราพินิษพิจารณาดูสิ่งนี้แล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขอันบริสุทธิ์สะอาดสงบติแท้ทจริงเป็นความสุขประทมเป็นความสุขที่เราทั้งหลายรู้ ร, รู้กันทั่วโลกนี่แหละถ้าหากว่าโลกอันนี้มีความสุขเพียงพอแล้วโลกอันนี้ก็ไม่วุ่นวายไม่บาดเบียดกันไม่ประหัรประหารกันไม่มีร้องไห้ไม่มีเสอเอื้นไม่มี เดือดร้อนในจิตในใจแต่โลกอ น, นิสเนสุขแต่แท้จริงจิตใจของคนทุกคนจะย่องเบิกบานอยู่ตลอดเวลาสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแต่โลกนี้ถึงแม้ว่าทั้งคนดีมีจนก็มีกระทบกระเทือนทั่วไปอย่าว่าแต่เราแม้จะ่ชั้นขสัตค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยู่ใน คลองราชจะสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ยังเจอทุกในส่วนนี้จนพระองค์ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้เยจึงสแสวงหาความสุขนอกจากกามาฉันทะอย่างหาความสุขนอกจากรูปนอกจากเสียงนอกจากกลิ่นนอกจากรสนอกจากโทษตะพะห้าอย่างนี่แหละเด็กะ่ะเป็นเครื่อง สกัดกั้นเรียกว่าในวอร์ดถ้าเราไม่รู้ความจริงขัดขวางไม่ให้จิตใจของเราบรรลุธรรมสรัจธรรมทญาบาทนี่ยเราเรารู้คำว่าพยาบาโดยอํานาจแห่งความไม่พอใจหรือโกรธผูกจิตผูกใจปองร้ายบุคคลผู้อื่นไม่ปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสงบมีความสุขแลือเกิดหน้าเรา ด้วยความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเลิกผูกใจไว้ว่าเขาได้ด่าเราแล้วเขาว่าเราแล้วเขาดูถูกเราแล้วอย่างนั้นถูกไว้นถ้าจิตใจยังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็ไม่สามารถเข้าถึงความสงบและบรรลุธรรมเพราะอารมณ์อย่างนี้ท่านไม่ได้เรียกว่าเราท่านเรียกว่ามารกิเลสสมานมาอยู่ในใจบางเกิดขึ้นในใจ เพราะฉะนั้นทารกอย่างนี้เกิดขึ้นเราเพิ่งรู้จักหน้าตาของมันไว้อย่าไปชุบเลี้ยงอย่าไปเข้ากับมันเรื่องชมาศสระสางขันพยาบาทให้คนใดคนหนึ่งมีในจิตในใจมันจะมีต่อไปอีกเลยค่อยมีมาแล้วก็เรีบแผ่เมตตาสะสางให้มันบริสุทธิ์จะให้มีต่อไปอีกหรือจะมีต่อไปอีกเกิดขึ้นมาใหม่เราก็รู้หน้าตามันไว้เปพดที่ยาบาร อุทธจะกกุกจังความหดุถูกเครื่เลิมอันนี้ลักษณะจิตขี้เกียจด้วยอำนาจแทงความหลงไม่ควรขวายง่วงเงาเา้านอนนั่งละลึกพุดโทพุดโทก็มีแต่ง่วงอยากไปหลับแต่หลอนอนจิตอย่างนี้ก็ไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมถูกความง่วงครอบาำ เน็ตเหนื่อยอ่อนเพรียไปหมดไม่มีจิตตั้งให้มั่นคงให้ผ่องใสจิตมันเศร้ามืดไม่ได้มองเห็นพุโทโธธรรมโมสังโฆเลยไม่เอาทุระพุโทโธพุโทโธก็ลืมไปไม่แต่ง่วงหลับอยู่นั่นแหละ น, นี้เรียกว่าเทนนัมิทะอุชัจักุตุจังจิตผู้สร้างรำคาญ อนนี้จิตไม่สงบเป็นเครื่องขัดขวางต่อความสงบให้ฟุ้งไปในเรื่องอื่นไปพระอันอื่นพุทธธพุโทโธใจรวมมันก็ขัดขวางไม่รวมมันเอาสิ่งอื่นหลอกให้หลงไปตามมันไม่มีที่สิ้นที่สุดให้เกิดความระมุคาญ ในการนั่งในการบริกรรมในการภาวนาในการปฏิบัติไม่เกิดทำให้จิตเบิกบานเพ่งทำให้จิตเย็นสนิดให้ตั้งมั่นได้มากกอ่ากวนนี่ข้อสุดท้ายคือความหลังเลสงสัยจะได้ไมเนาะภาวนาจะจิตจะสงบไมเนาะจะเห็นไหมเนาะทำยังไงจะเห็น บุญมีจริงหรือเรา ป, ปฏิบัติมีจริงหรือไม่มีสงสัยอยู่เรื่อยในจิตในใจไม่แน่ใจลงมือปฏิบัติแน่นอนลงได้ทำทำรูปลูปคลำคลมไม่มั่นคงถ้าสิ่งเหล่านี้มาประกอบกับจิตแล้วจิตก็ไม่สามารถจะสร้างฐานคือสมาธิให้มั่นคงได้ทำให้หวันไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลามันปักไม่แน่ เมื่อจิตวันไว้ตลอดเวลามันหมุนอยู่ตลอดถึงจามีตัวหนังสือเขาเขียนไว้มันก็อ่านไม่ได้เมื่อเรานั่งจิตมันหมุนอย่างนั้นแหละเรือตัวของเราหมุนหรือตัวมันอ่านไม่ถัดมันไม่ติดกันไปหมดชั้นใดก็ดีจิตที่ไม่รู้ทมเห็นทำก็เพราะ มีสิ่งขัดขวางอันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักไล้ชำระสะสงังเอาเครื่องขัดขวางออกและจิตจะเข้าถึงสภาพแห่งความสงบเป็นสมาธิท่านเรียกว่าวิวิจเจวะตามเมหิวิวิจเวยะกุสเลหินี่มันต้องผ่านอันนี้ก่อนผ่านผ่านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีที่ไม่ดีจากภายนอกไม่ยินดีจัดเพราะตาสํารวม อ่อินทรีทั้งห้าสํารวมแล้วไม่เย็นดีแล้ววิจวิตเจวอกุศเลห์ี่อากุศลธรรมที่มีอยู่ในจิตใจดังกล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ย่ามาชั้นพระพยาบาทอ่าทิ น, นมิทธอุทธะ ก, กุกุจังวิจิตกิจฉาห้าอย่างนี่เรียกอากุสเลหิประโยูนภายในจิตใจของเราในสันดานของเรา มันออกมาขัดขวางก่อกวนไม่ให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมถ้าเรามากํจาจัดสิ่งเหล่านี้ไม่ให้กําเริบขึ้นมีสติไปค่มเหมืนไว้จิตก็ได้สงบชั่วคราว เ, ออเมื่อหมดกําลังสติแล้วมันก็ก่อกวนเราอีกแต่เร า, ม, ามีปัญญาสามารถรู้จักสมุทฐานมูลฐานของมันถอดถอน ให้หมดสิ้นแล้วจิตก็จะได้สงบเป็นสม่ำเสมอนั่งก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบเรียกว่าสงบ ก, กิเลสจะแก็อุปเิวิเวกคือสงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเน็จและศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปฏิบัติมาสำรวจตรวรอบแล้วของเข้าสมาธิตามระดัจนจิต สามารถมีกำลังเอาชนะมานหรือนิวรณิวรณธรรมจากจิตใจได้แล้วจิตใจจะได้สร้างฐานสมาธิอันมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกกระทมที่มากระทบถูกต้องคิดก็จะเข้าสู่หนทางอรรยะมรรคเดินตามทางไปอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยแท้จริง